จเจริญพรท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพบกับรายการธรรมะส่สันติได้เป็นประจำในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ดำเนินรายการโดยคณะสิทธิในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรคณะนี้เป็นผู้ก่อตั้งวัดหลวงพ่อสดธ ร, รมกายารามขึ้นที่อาเภอดำเนสะดวกจังหวัดราชบุรี อยู่ริมถนนสายบางแพร่ดำเนินสะดวกตรงหลักกิโลเมตรที่ส4วัดหลวงพ่อสธรรมกายรามเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติพระัทธรรมฉะนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมพระกรรมฐานเป็นประจำทุกๆปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างที่หนึ่งถึงที่เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างที่หนึ่งถึงที่เดือนธันวาคมท่านสาธุชนท่านใด ที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระศิธรรมตามแนววิชาธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเจ้าุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ปฏิบัติค้นพบได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นและได้ถาทอดสั่งสอนไว้สามารถที่จะไปขอเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานตามระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใด สำหรับรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านมาปฏิบัติภาวนาธรรมในเบื้องต้นโดยจะได้อาราธนาเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเป็นองแนะนำต่อด้วยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านนั่งคูบัลลังก์ขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้ปลายนิ้วชี้มือขวาจดหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงคือว่าตั้งแต่ปลายนิ้วชี้ของเท้าขวาถึงกลางลูกสะบ้าของหัวเข่าขวาเท่ากับระยะจากบนตาตุ่มขาขวาจดใต้ลุกคางเข้าไปตั้งสติไว้ให้มีหน้ารอบคือมีสติทุกเมื่อแล้วน้อมใจปฏิบัติภาวนาธรรมตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําได้ดังนี้ ตอแต่นี้ไปคอยตั้งใจฟังบอกโดยตรงคอยจำแล้วนะทำวัตรธนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีการทำต่อไปวิธีทําสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมภาวนากับปริกรรมมณีมิตรเป็นคู่กันวิธีทําสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมมภาวนากับปริกรรมมณิมิตเป็นคู่กัน ปริกรรมอนิมิตให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสมัอนอยกระเพ็ลูกติจันทรณในแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตาปริกรรมอานิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมัอนย่กระเพ็ลูกติจัร์ใแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตาผู้หญิงกำหนดข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวาจะให้รั้มให้เรียมผู้หญิงกำหนดข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดข้อปากช่องจมูกขวาจะให้รั้มให้เรีม ใหญของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เส้ในปริกรรมอนิมิตปากจ้องจมูกหงิซ้ายใส่ขวาข้างนอกโตเขาดวงโตทแก้วตาข้างในดวงโตงตัวเม็ดพุทธรักษ์ข้างนอกโตดวงโทแก้วตาข้างในดวงโตดวงโตตัเม็จพุทธรักษ์แม้ว่าใสขาวเหมือนกระจกตองเราหน้าแบบเดียวกัน ยิงกําหนดปากช่องจมูซ้ายชายกําหนดปากช่องจมุกขวาแล้วให้ปฏิกรรมาผอนะกระครองปฏิกรรมอันนี้มกนั้นไว้ว่าสัมมาอะระหังกระทึงดวงท่ใสายใจอยู่กลางดวงทิใสสัมมาอระหังกระทึงดวงท่ใสใจอยู่กลางดวงทิศสนั้นสัมมาอะระหังกรถึงดวงท่ใสใจอยู่กลางดวงทิศสายนิ่งนั้นฐานที่หนึ่งที่สองเรื่องกันไปแค่ปลาตายิงยูซี่ข้างซ้ายชายยูซี่ข้างขวากองหัวตาถิมุนตาออกตามจ้องเราไม่ใช่กรออกข้างใน แลบริกรรมประอบเครื่องหมายที่เาวตานว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลําดับเทวตาเข้าไปกลางกัสสิกะข้างในไม่ก่อนใส่ฝาหน้าหลังแล้วมองกลางกัสก็ดีและบริกรรมประกองเครื and, so so so like so so ่องหมายที่กลางกาสสิษะข้างในว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธี ต้องกลับตาไปข้างหลังในตาคองเหมือนคนจักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นบนเลือกขึ้นบนเลือกไปเลือกไปจะต้องค้างแน่นใ้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วค่อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่4ี่ปาช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำนักใช้เหลี่ยมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมาย ในฐานที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเนือแล้วก็เดือกมุกกลางกลางป่าชุนตะแก้วต่างไปป่าช่องคอปฏิกรรมประกองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังก็มาอระหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวตุดลมให้ยใจเขาหาใจเขาออก ก็ดูะลุหลังขวาทะลุซ้า ย, ยกลางกักข้างในของกลางดวงธรรมธรรมในการมรดิใจหยุดนั่นเจ้ตั้งองนั้นพระจายจิตปฏิดวงใสเด่นสมม า, ารหังสมมารหังสมม า, ารหังสามครัง้งถอยหลังเหนือกลางตัวสองนิ้วอง์นั้นมีศูนยนศูนย์นกลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศาาถาตหน้าานาขวาดินหลังธัตไฟซ้ายตลงตรงไม้อากาศกลางนั่นาาองนั้นได้ผศูนย์ทไมถึงเรียกว่าสูงตรงนั้น เวลาสลัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มามามาอยู่ในที่สิทยอยู่ในกลางดวงนั้นกายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพอแมร์มันประกอบธาตุธรรมถกตัวมันตกศูนใีเดียวพอตกศูนก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัวสรงเล็บเท่าฟองไขแดงของไก่ไซส์เป็นกะจกตรงหน้านี่มันจะเกิดหลัทธิโสนคงนั่นและศูนศูนนั่นเป็นสำคัญ น, นะจะเกิดมาในสเละมันในมนุษย์สเลกก็ต้องต้องไปต้องต้องเกิดในโสนนั่น จะเกิดจะไปนิพพานก็ต้องเข้าสูนนั้นไปเหมือนกันจะไปสูนมาผลนิพพานต้องเข้าสูนนั้นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินตรงกันข้ามถ้าว่าจะเกิดก็เดินเลาออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินไหนเข้าไปกลางเข้าไว้หยุดเข้าไว้ไม่ได้เคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้รู้จักหลักอย่างนี้ เมื่อรู้จักหลักดังนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรู้เมื่อเช้านี่เราที่เราที่เราใจเราเที่วุ่นวายอยูา่านี้มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายใจเกิดพาใจเราหนิ่งอยู่ในกลางนั่นมันจะเลิกเวียนว่ายใจเกิดเราก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอใครเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทําใจของเราหนิ่งให้ยุดทําใจให้หยุดทําใจให้หยุดจุดสูงกลางนั้น ทำใจให้หยุดเจ้าพหยุดให้หยุดนิ่งให้หยุดเจ้าหยุดก็เข้ากลางหยุดเลยนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางสายฝนอันหลังละบนดอกไหนไม่ไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางกลางนิ่งพอโทสวร์เข้าถนั้นแหละเห็นดวงสายแจ่มมันเกิดขึ้นถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมื่อท่านทั้งหลายได้กระทาใจให้หยุดในหยุดกลางของหยุด จนเห็นดวงธรรมใสาแจ่มปรากฏขึ้นแล้วอย่ายินดีอินร้ายทำใจนิ่งๆให้สงบนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางดวงใสแจ่มนั้นแหละให้ใจหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าจะเห็นภายในดวงประกอบด้วยดวงเล็กๆหรือเรียกว่าศูนย์อีกห้าศูนย คือศูนย์กลางศูนย์ข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุละเอียดของธาตุดินหลังธาตุละเอียดของธาตุไฟซ้ายธาตุละเอียดของธาตุลมตรงกลางธาตุละเอียดของอากาศาธาตุกลางอากาศาธาตุเป็นวิญญาณธาตุและจะเห็นมีสายใยเชื่อมโยงจากศูนย์ทั้งสี่เข้ามาจดตรงศูนย์กลางของอากาศาธาตุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิญญาณธาตุซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเราเห็นฉันลันแล้วเข้าถึงฉะ น, นั้นแล้วก็หยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณธาตุนั่นแหละถูกส่วนเข้าศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะปรากฏขึ้นใสละเอียดสว่างกว่าเดิมนั้นเป็นดวงศีล หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงศีลให้เห็นใสละเอียดหนักเข้าไปหยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าไปศูนย์กลางจะขยายตัวออกก็จะเห็นดวงสมาธิแล้วก bon ็ดวงปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะไปตามลำดับทีละดวงทีละดวงให้รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใหม่ให้ใสละเอียดเข้าไปใสละเอียดเข้าไปสละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียด เมื่อถึงดวงวิมุตติยานทัศนะแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งก็ไปให้ใสละเอียดที่สุดสว่างที่สุดแล้วศูนย์กลางก็จะขยายออกจะเห็นกายในกายณภายในของเราเองในเบื้องต้นจะเห็นกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการแต่ขาวใสสวยละเอียดประณีตกว่าบางรายอาจจะเห็นข้ามขั้นตอนไปเห็นเอากายทำเลยก็มี มีพุทธลักษณะเหมือนพระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์อยู่ในท่ากัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกันกบเราเมื่อท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเข้ามาเห็นกายในกายณนะภายในเช่นนี้แล้วอย่าได้ลังเลสงสัยให้นึกก็ไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดที่ปรากฏขึ้นใหม่เรื่อยไปแล้วนึกดับหยาไปหาละเอียดคือทิ้งความรู้สึกอันเนื่อง้วยกายยา เข้าไปสวมความรู้สึกเป็นกายละเอียดให้ใจของกายละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเข้าไปจะเห็นดวงธรรมหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมให้ใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายเมื่อจิตละเอียดนะักอันประกอบด้วยอารมณ์วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตอารมณ์ปีติสุขและเอกตารมขึ้นไปอันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานขึ้นไปแล้วยังจะปรากฏมีองฌาน รองรับเหมือนอาสนะรองรับกายละเอียดซึ่งมีสันฐานกลมใสรอบตัวหนาะประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายละเอียดแต่ละกายมีประจำทุกกายจากกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดนั้นก็อย่าได้ลังเลสงสัยรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌาน ก็จะถึงหรือผ่านดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศน์ต่อต่อไปตามลำดับจนใสละเอียดสุดละเอียดแล้วศูนย์กลางจะขยายออกกายในกายณภายในที่โตใหญ่ใสละเอียดประณีตกว่าเดิมและมีรัศมีปรากฏยิ่งกว่าเดิมจะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายโดยในเดียวกันก็ให้ดับยาไปหาลเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌาน อย่างเช่นต่อจากกาย ม, มนุษย <Uganda> ์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์แล้วก็ทิพย์ละเอียดนี่โตใหญ่ไสละเอียดไปอีกเท่าตัวของกายมนุษย์ดําเนินต่อไปดับยาไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะถึงกายพรหมหรือรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดโตใหญ่ใสละเอียดไปยิ่งกว่ากายทิพย์อีกเท่าตัวหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมของรูปพรหมละเอียดให้ใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌาน ก็จะถึงกายอรู ป, ปรพรมหยาบอรูปปรพรมละเอียดต่อๆไปให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานนี่ก็มีขนาดโตใหญ่ยิ่งกว่ากายรูปประพรมไปอีกเท่าตัวถึงจุดนี้ให้สังเกตดูว่ากายอรูปประพรมหยาบและอรูปปรพรมละเอียดตลอดทั้งดวงธรรมนั้นจะโตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่ากายรูปประพรมไปอีกเท่าตัวเฉพาะแต่กายนั้นมีประมาณเกือบสี่วา หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางอารูปภพผมละเอียดให้ใสละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดแล้วศูนย์กลางจะขยายออกทีนี้จะเห็นกายธรรมหรือธรรมกายองค์จริงมาตรฐานเบื้องต้นขนาดหน้าตักและความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมสีวาครึ่งขึ้นไปปรากฏขึ้นเกตดอกบัวตูมใสสว่างวาวขึ้น ให้ดับยาไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายหยาบเข้าไปเป็นกายธรรมหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางศูนย์กลางกายธรรมศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายกายธรรมนั้นให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานดับยาไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสละเอียดนักเข้าไปแล้วธรรมกายที่ละเอียดละเอียดโตใญ่ใสละเอียดว่าเดิมก็จะปรากฏขึ้นทีลกายทีลกายจะ ธรรมากายโคตรภูยาบโคตรภูละเอียดสี่วาขึ้นไปจะถึงธรรมกายพระโสดาหยาพระโสดาละเอียดห้าวาขึ้นไปแล้วก็จะถึงธรรมกายพระสกิทาขามีหยาพระสกิทาขามีละเอียดมีขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมสิบวาขึ้นไปแล้วก็จะถึงธรรมกายพระอนาคามีหยาพระอนาคามีละเอียดสิบห้าวาขึ้นไปแล้วจะถึงธรรมกายอรหัตหยาบอรหัตละเอียดยี่สิบวาขึ้นไป ทุกท่านก่อนจะหยุดพักตั้งจิตอธิษฐานที่กลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายที่ใสละเอียดที่สุดที่เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนั้นน้อมบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมามีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อและต้นท่าต้นธรรมทุกพระองค์ แล้วตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและกรุณาพรหมวิหารปราถนาให้สัตว์โลกอื่นทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรมีภยัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งหลายเถิดแล้วตั้งจิตอธิษฐาน กุทิส่วนกุศลผลบุญที่เราได้สร้างสมอบรมมาแล้วด้วยดีนี้แก่คุณมารดาบิดาคุณครูพระอุปัชฌายอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธ์ชนเพื่อนศาสธรรมมิกผู้ประพฤติธรรมผู้มีพระคุณทุกท่านมนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศและร่วมโลกอื่นทั้งหลายขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น เป็นพละวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ให้ถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นโดยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจชำระจิตใจให้ผ่องใสใเป็นสัมมาทิฏฐิจเจริญรุ่งเรืองในประสัท ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินนิพพานปัจโยโหตุทุกท่านใจยังจดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นผนมขึ้นอยู่ในท่าพักเพียตเตรียมรับพรนะ เพรุทธาผลป ต, ตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลธาสุขิตาเวรุฬหาพุทธสาสเสนอโรคาสุขิตาโาาหตัสสะหัสภิยาติภิภาวะตุสัพมังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส พ, พธมานุภาเวนะสั พ, พ, ส, พ, พสังขานุภาเวนะ สที่ท่านได้รฟังจบลงไปแล้วเป็นวิธีปฏิบัติภาวนาธรรมในเบื้องต้นโดยได้อาราธนาเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อปากน้ำท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมาเป็นองคแนะนำต่อด้วยเสียงของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลเจ้า ว, วาดพ่หลวงพ่อสดธ ร, รมกายราม สำหรับท่านสาธุชนท่านใดที่สนใจในการปฏิบัติภาวนาธรรมเชน่นนี้ทางวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้จัดให้มีการอบรมระกรรมฐานเป็นประจำทุกปีปีละสงรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างที่1ถึงวันที่สิเดือนธันวาคมท่านสาธุชนที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระศิษธรรม ตามแนววิชาธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะไปขอเข้ารับการอบรมกรรมฐานตามระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดและสำหรับท่านสาธุชนที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานของท่านได้ใช้ระยะเวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวบุตรหลานท่านเองทางวัดหลงพ่อสธรรมกายราม ได้จัดให้มีโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อเยาวชนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนถ้าบุตรหลานของท่านเป็นเยาวชนชายสามารถที่จะพันประชาเป็นสา ม, มเณรได้สำหรับบุตรหลานของท่านที่เป็นเยาวชนหญิงสามารถที่จะไปอยู่บวชเนกขมะจารินีในช่วงปิเทิมภาคฤดูร้อนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งโครงการธรรมปฏิบัติเยาวชนภาคฤดูร้อนนี้ท่านสาธุชนท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีรหันสไปรษณีย์1 3 0ดหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-32254650 และ 253352กดต่อ220ได้ทุกวันสำหรับกิจการพิเศษอีกประการหนึ่งที่จะเจริญพรให้ท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมคือวันเสาร์ต้นเดือนของทุกๆกเดือนทางวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนได้ เข้าไปศึกษาและปฏิบัติพระศิษธรรมได้บำเพ็ญบุญกุศลในเรื่องของทางกุศลเสีงกุศลและภาวนากุศลอีกด้วยซึ่งจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา9ก้ามงครึ่งในเวลาเช้าเป็นต้นไปสำหรับรายการธรรมสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลางแล้วขอความสุขความจเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถอจเจริญพร